เอาน่าอย่าซีเรียกเรื่องใส่บาทวันเกิดเล่ากินเข้าไปแล้วก็ขาดสติมีเรื่องเล่าว่า วันเกิดของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งกลางคืนเลี้ยงฉลองร่ำสุรากันเต็มที่เมาแปรรุ่งเช้าอยากใส่บาตร ท, ทาบุญเอาเลิ์ขณะตักข้าวจะใส่บาตรด้วยความเมาทําข้าวหกหมาก็วิ่งกรูกันเข้ามาแย่งกันกินข้าวกัดกันเจียวจ้าวพันแข้งพันขาจนเดินไม่ได้ด้วยความโมโห เงื้อเท้าเตะหมาเต็มแรงหมามันก็หลบทันแต่พระหลบไม่ทันโดนหน้าแข้งเต็มๆทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้ร่วมแย่งข้าวด้วยสักหน่อยขณะใส่บาตรรู้สึกว่ากับข้าวที่เตรียมไว้ไม่พอดีกับพระแกตะโกนเรียกหลานลั่นเลยอีหนูเอาปลาทูมาอีกสององ วันนี้พระมาสีตัวเล่ามันทำให้คนกินไม่เป็นผู้เป็นคนพูดผิดคิดผิดทำผิดแล้วจะกินมันอยู่อีกหรือ